เิม่มจะคุยด้ยหน่อยครับคุณเทพมีอะไรหรือครับฉันมาคิดคิดดูแล้วว่าฉันควรจะเป็นฝ่ายไปจากที่นี่หมายคนาม่มยังไงคุณเทพก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละฉันทรยศหักหลังนายไม่ได้เด็ดขาดนะนายเป็นผู้มีพระคุณของฉันถ้าไม่ไดนายช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็ฝ่าเนี้ยจะคงเน่าไปแล้วคุณเทพไม่น่าคิดมากนะครับจะต้องคิดมากสิเพราะฉันมาทําลายความรักของนายกับศิลาโดยแท้เลไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ คุณเทพไม่ได้ทําอะไรใครทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่บุพเพันิวาสนะครับคุณเทพน่าคิดอย่างนั้นเหรอครับแล้วผมคิดว่าคุณเทพควรจะคิดเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันไม่ได้หรอกฉันคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกทําไมหรอครับเพราะถาฉันคิดอย่างนั้นนะก็เท่ากว่าฉันทรยศต่อพร้มีพระคุณต่อไปว่าข้างหน้าเนี่ยฉันจะไปมองหน้าใครได้อะแล้วฉันจะบอกลูกๆว่า ง, งัยบอกว่พ่อของเขาเน่ยแยกแม่ของลูกมันจากผู้มีพระคุณอย่างนั้นเหรอ ลูกได้ยินอย่างงั้นนะเขาจะมีลูกคนไหนภาคภูมิใจใตัวชะหรอกมันมีแต่จะดูถูกเหยียดหยามพ่อคนนี้มากกว่าแต่ว่าขอบใจสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะสุเวไม่เป็นไรหรอกครับผมช่วยคุณเทพโดยไม่หวังอะไรอยู่แล้วก็นั่นแหละที่ทําให้ฉันซาสุน้าใจกับนายมากโทษคุณเทพอันที่จริงแล้วฉันอยากจะกราบแทบเท้านายนะสุเวกราบและรู้สึกกระดากใจด้วยเพราะนายเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับฉันโดยแม่แนะครับจะทําอย่างนั้นนะครับ คุณเทพกับผ ม, มาอายุห่างกันไม่เท่าไหร่จะมากราบผมได้ยังไงเดี๋ยวผมอายุสั้นตายเท่านั้นเองฉันนับถือสูเวจริงๆนะผมเข้าใจครับฉันรักศิลาไม่แพ้สูเวรเหรอนะผมรู้ถ้านับจากนี้ไปพระทฝากเออขาบอกว่าฝากดูแลศิลาด้วยนะครับคุณเทพ หมาความว่าเอใช่แล้วใช่ตัดสินใจแล้วนะฉันจะไปจากน้อยแม่เสเลียงวันนี้ละ่ะแม่เสเลียงที่รักฉันจะเก็บความทรงจาดีๆปุ่นดอยแม่เสเลียงไว้ในใจตราบจนวันตายหัวใจของฉันจะมีแต่แม่เสเลียงที่รักคุณเทพเราแอบฟังคุณเทพคุยกับพี่สูเวเลยรู้ว่าคุณเทพจะไปจากที่นี่ในวันนี้เข้าไปเพื่อเปิดทางให้พี่สูเว์ได้รังกับเรา ทำไมจึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะเขาไม่รู้หรือยังไงว่าหัวใจของเราอ่ะฝากไว้กับเขาแล้วไม่รู้หรือไงว่าโยนหัวใจของเราไปให้ใครไม่ได้ทำไมอ่ะทําไมก็ต้องตัดสินใจแบบนี้ด้วยเขาไม่ได้รักเราจริงๆอย่างนั้นเหรอก็ถึงได้ตัดใจไปจากเราได้ง่ายแบบนี้ความรักที่เรามีให้เขาวันนี้มีความหมายอะไรเลยหรือไง เด็ดด้วอยู่แถวนี้<ว>ไม่ได้แล้วหนีไปให้ไกลๆเลยสีลาไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วมันทรมานใจเหลือเกินที่คนรักกำมันจะจากลราไปแล้ว แบบนี้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะนั่นเสียงใครอ่ะสิลาวิ่งอ้าวข้าไปทางนูนแล้วครับคุณเทพอ่ะสิลาเราเช่นด้วยสิลา สีลาคุณเทพเธอได้ยินที่ฉันพูดกับสูเวแล้วใช่ไะมได้ยินแล้วคุณแทพทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอทำไมต้องลงเอยด้วยการจากไปแบบนี้ด้วย้มันทรมานใจฉันเหลือเกินะฉันเข้าใจความสึงเธอดีนะสีลาฉันเองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าเธอเหมือนกัน คุรักจริงหรือเปล่ารักเสร่รักมากด้วยรักประท้วงใจในหน้าสีลารักฉันแล้วจะไปต้องทิ้งฉันไปแบบนี้ด้วยล่ะเธอเคยินที่ฉันพูดกับสูเวยแล้วไม่ใช่เหรอซูเวยรัเธอมากสูเวยดูแลเธอได้ดีมากด้วยและชันก็เห็นว่าเธอกับสูเวยนอะ่ะเข้ากันได้ดีสามารถใช้ชีวิตคู่ได้ จดแก่จนเท่าอย่างแน่นอนนและที่สําคัญก็คือว่าเธออยู่กับซูเเว่นะเธอไม่เดือดร้อนแน่และไม่มีวันลําบากเด็ดขาดคิดดูสิขนาดฉันซึ่งซูเว่นไม่เคยรู้จักเลยข้ายังช่วยชีวิตฉันได้โดยไม่กลัวว่าตัวเองนะ่ะอาจจะตายได้เหมือนกันคงไม่เสีดยดาชีวิตตัวเองเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นฉันฝากเธอไว้กับซูเว่ฉันสบายใจได้เต็มร้อย ว่าฉันฉันรู้ว่าเธอรักฉันและฉันก็รักเธอเหมือนกันแล้วสุเวเก็รักเธอเหมือนกันนะนะเขารักเธอมานานแล้วด้วยเธอเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอเชื่นะเธอเป็สาวชาวดอยอยู่กับสุเวเพื่อสืบส ก, กุลชาวดอยเอาไว้เพื่อลูกหลานที่เกิดมาจะได้ภาคภูมิใจได้ความเป็นชาวแม่สเสลียงตกลงนะศิลา รักนะสีลาเดี๋ยวฉันต้องไปลาพระเท่าก่อนช่วยได้เป็นเพื่อนฉันหน่อยนะสีลาสีลาจ้ะนะช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment แต่ละวันนั้นมืดมนและสับสนไม่มีใครนานีาในใจ คนที่น ท้องฟ้าดูชันงกว้างไกลเธอแปลใจบ้างไหม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 ให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไม่ให้เธอเก็บไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้า ที่เธอบวดราก ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ทำไมล่ะที่ไม่อยากขึ้นไปอทำไมเ่ะฉันกลัวจะร้องไห้ยพ่อพระทนเห็นน้ำตาของพ่อพี่ได้พ่อท้าเป็นคนมปเหตุผลนะใช่แต่พ่อรักคุณเทพมากพ่อคาดหวังในตัวคุณเทพมากเหมือนกันแต่แล้วอยู่่คุณเทพก็มาตัดสินใจไปจากที่นี่แบบนี้ จะไม่ให้พ่อเสียใจได้ยังไงอะ่ะก็คือว่าคุณเทพรีบขึ้นไปเถอะฉันขออยู่ข้างล่างนี่ดีกว่าอยู่คนเดียวได้นะได้สีลาพี่สุเวงั้นเธอไปอยู่กับสุเวกันแล้วกันนะฉันขึ้นไปลาพ่อเท่าเองค่ะสุเวฝากสลาด้วยนะครับคุณเทพ พี่สุเว่ไม่ต้องเสียใจนะคุณเทพเขามีความจำเป็นต้องไปจากที่นี่อย่าร้องไห้เลยพี่ทนไม่ได้หรอแม่ก็จะไปแล้วจริงๆหรอพี่สุเว่ยฉไม่ได้ฝันไปใช่ไหมจ้ะคุณเทพเขาจะไปแล้วเขาต้องไปเขาไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหม เขาจะ จ, จะ่าท่านช่วยชีวิตเลยใช่ไหมพี่สูบศรี ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะพ่อเทพนะพอเทพได้ตัดสินใจไปแล้วข้าเองก็ไม่อยากขัดใจเองหรอกก็ขอพาวนาขอให้พระเจ้าทรงประทานสําหรับความดีของเองขอให้เองจงพบรักที่เหมาะสมรักกันและเข้าใจกันขอบคุณพระเจ่ามากครับอ อ, อ, อืเกิดมายังไม่เคยร้องไห้วเลวยร้องไห้ได้ยังไงแล้ววันนี้ น้ำตาไหลพราดเลยเอ้อออผมกราบขอพระคุณพ่อเท่าเดีชีวิตมากับผมฮะเอาเถอะพอดทพคิดสว่าดชาติที่แล้วเนี่ยเราทำบุญร่วมกันมาชาตินี้ถึงได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นเวลาแค่ระยะหนึ่งกว่าามทีแต่มันก็เป็นเวลาที่ควรค่าแห่งการจดจงคิดถึงก็มาหาค่าได้นะแม่สัเลี้ยงแห่งนี้ ยินดีต้อนรับผดเห็บตลอดเวลาครับพ่อเท่าเออขาดจะมีโอกาสได้ไปเหยียบเมืองบางกอกไหมล่ะเนี่ยอะฮะฮะเออพ่อเท่าออจะไปด้วยกันเลยไหมครับเออจะเอาอย่างงั้นเลยละครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายพ่อเท่าไปจะเป็นห่วงนะผมยินดีดูแลให้หมดดูแลพ่อเท่าเหมืนพอ่อแท้งท้ผมเลยทเดียวฮนะขอบใจมากลูกเออขอบใจเงจริงๆรงิแค่นี้ ข้ก็าซาบสึใจจนพูดอะไรไม่ออกแล้วข้ารักเองเหมือนลูกนะพ่อเทพนะผมเองก็เหมือนกันครับผมรักและเคารพพ่อเท่าจนพ่อแท้ๆของผมเหมืนกัดมามามามาม า, มาให้พ่อคนนี้สองคนนี้กอดหน่อยเถอะเออครับพ่อรักมากเลยรู้ไหมลูกพ่ อ, อชื่นใจพ่อเหลือเกินพ่อเออ อูชายล้องหายมันก็ดีเหมือนกันนะครับไปดีมาดีนะลูกครับโปสัญญาไปชวนแม่มาเที่ยวหาพ่อในเร็วนี้อืมขจะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตอนหลังการกลับมาของเองรวมทั้งแม่ของเองด้วยนะครับขอพระเจ้าจงคุ้มครองเองอวยชายให้เองจงพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะลูก กราบขอบพระคุณพ่อมากฮะผมต้องลาแล้วนะครับพ่ออืมโชคดีลูกโชคดีปอเทพกระพ่อดูแลตัวเองด้วยนะลูกอย่าลืมใส่เสื้อนอนแล้วคลุมผ้าหม่มหนาๆด้วยล่ะลูกเอ้กระพ่อ สุเวข้คุณเทพเช่ญไปแล้วนะข<อ>้าปลอดสิลาเถยนะสุเวคุณเทพขอบพระเจ้คุ้มครองคุณนะครับและประทานพรให้คุณพบแต่ความเจริญในชีวิตขอบใจมากสุเวครับฉันขอพรพระเจ้าจูบาร้าทั้งคู่พบแต่ความสุขความเจริญด้วยนะครับทอกคุณครับศิลาจ้า ค่ะฉันขอให้เธอจะรักษาความดีดุดเกลือรักษาความเค็มนะจ๊ะค่ะคุณเทพก็เหมือนกันนะคะดูแลตัวเองด้วยฉันคงจะตามไปดูแลคุณเทพไม่ได้อีกแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะจ้าไปนะจ๊ะคุณเทพ พี่สุเระเขาเขาไปแล้วเขาไปแล้วทำใจดีๆไว้นะสีลาทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมก็ต้องไปด้วยอ่ะพี่สุเราทำไมอ่ะใช่พวกเราจะไม่เสียใจบอกได้เลยว่าเวลาเนี้ยหัวใจของเราแทบจะสลายไปแล้ว ความรักที่เรามให้กับศีลานั้นเราไม่เคยเผื่อความผิดหวังและเพียงิดเดียวคิดสเสมอว่าสาวดวยม่โซเรจะไม่มีวันเปลี่ยนใจแน่นองแต่เราตระขากล่ที่ต้องเป็นคนตัดสินใจระหว่างความรักกับความต้องอยู่รู้คุณเราควรจะเลือกอย่างไหนเธอเราเลือกอย่างเราคนที่เรารักเธอก็ยังอยู่ได้จะมีคนที่รักเธอเพราะเธอจะยอมรับได้ด้วย แล้วเราก็ได้ตอบแทนพระคุณกับผู้มีพระคุณด้วยซึ่งพระเจ้าทรงสอนไว้ในคำภีเราตสนใจถูกต้องแล้วที่เลมของมัตังยูรู้คุณคนความรักหน้าจะมีใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อปล่อยเหตุการณ์ผ่านไประยะหนึง่งทุกอย่างจะ ก, กลับสู่ภาะวะปกติเองเราพั่ใจอย่างนั้นเราคุณจะ ก, กลับสู่อ้อมกอดของแม่แม่รอเราอยู่ แม่พร้อมที่จะอ้าแขนรับเราสู่ออบกอดออบกอดที่แสนอบอุ่นที่เราหรือใครก็ตามคุณจะรักษาหังแขนเอาไว้ออมกอดของแม่แม่ซึ่งเป็นผู้หให้แท้ๆสีลาลาก่อด น, นะที่รักที่รักของฉันแม่สเลียบที่รักลานะแม่สเลียบที่รัก สิลาแย่สัญญาจะพี่จะคุ้มครองและปกป้องสิลาตลอดไป